เวทนานุปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาสวยอทุกขมัสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมัสุขเวทนา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 เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกข ม, ส, ข ม, กขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรหมายเหตุอทุกขมสุขเวทนาก็คือไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเฉยๆนั่นเองนะครับดังพนรนามาฉันนี้